เจตนาที่เราพูดออกไปเนี่ยมันบอกเลยเลยว่าชาติหน้าเราควรจะได้ฟังอะไรถ้าเราอยู่กับการทำใจให้ฉลาดหรืออยู่กับการทำใจให้โง่เขลาถ้าอยู่กับการทำใจให้โง่เขลาด้วยหาสารพิษทั้งหลายมาทำใจให้มันโง่เขลาก็แสดงว่าอนาคตของเราไม่ฉลาดแน่นอนอนะเพราะอะไรเพรา ะ, อะตอนตัวเองให้ถึงความโง่เขลาเอาไว้แล้วนี่เราให้อาหารปัญญาหรือให้อาหารแก่ความ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 แต่ไม่ใช่ว่าผู้ใดจะทำแทนกันได้ผู้ใดจะทำเผื่อกันได้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเฉพาะตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่เราควรให้คุณค่ากับความคิดของเราเองทั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ปลูกฝังจิตที่เป็นบุญจิตที่เป็นกุศลจิตที่ดีและมีประโยชน์ให้กับจิตในขณะนี้หรือต่ อ, ต, อต่อไปเรานี่แหละคือคนที่สาบแช่งตัวเองในอนาคตแต่ถ้าเราตั้งกุศ ล, ลจิตเอาไว้ในจิตเอาไว้อย่างดีและมากมาย เราคือคนที่ให้พรแก่ตัวเองต่อไปในอนาคตถามจริงๆว่าเราเนี่ยอนาคตควรจะสบายหรือควรจะทุกข์วิเคราะห์ตามเหตุผลตามหลักการทางความคิดกุศ ล, ลจิตตลอดชีวิตที่ผ่านมาชาติข้างหน้าหรือว่าชาตินี้ต่อต่อไปหรือชาติต่อต่อไปเราควรจะยิ้มรับหรือควรจะร้องให้รับเนี่ยนะบอกว่าบุคคลทํากรรมใดแล้วต้องมีหน้าอาบด้วยน้ําตาสเสวยผลแห่งกรรมนั้น กรรมนั้นทำแล้วไม่ดีเลยเห็นันเราก็คิดดูว่าเราควรจะร้องให้รับผลวิบากแต่และอย่างแต่และอย่างเหล่านั้นไหมทุกกายกรรมที่เราทำไปเราจะยิ้มรับหรือร้องให้รับทุกคําที่เราพูดออกไปเนี่ย น, นะเราจะยิ้มรับหรือว่าร้องให้รับรับเปื้อนน้ำตาหรือว่ารับแบบโสมนัสทุกความคิดที่เราคิดถ้ามันให้ผลทั้งโดยกรรมปัจจัยและโดยอุปนิสัยปจยัจจัย เราพอใจไหมที่จะเสวยผลแห่งกรรมเหล่านั้นซึ่งกรรมสโกมหิพองบอกว่าผู้คนมีกรรมเป็นของของตนเป็นไปตามกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมทางอนิกรรมมาปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยละ่ะเราสร้างอัธยาศัยให้อะไรให้แก่ตัวเองในอนาคตทวนอีกครั้งนึงว่าสร้างอัธยาศัยมนุสยธรรมหรือสร้างอัธยาศัยเทวธรรมหรือสร้างอัธยาศัยพรหมมิหารธรรม หรือสร้างอัธยาศัยให้เป็นอริยธรรมนั่นนะสร้างอัธยาศัยเหล่าในาให้แก่ตัวเองในอนาคตเนี่ยนะเันเป็นเรื่องของการตั้งอัธยาศัยสร้างอุปนิสัยพั้นที่เราศึกษาจริยาปิฎกนี่ก็คงเห็นกันแล้วว่าคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระผู้เฒ่เจ้าอัะนัอย่างที่เราเรียนในจริยาปิฎกต้นๆคุณธรรมเหล่านั้นหมวดหนึ่งของตัณนก็คือ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 ความรู้พันบุญของท่านจึงไม่มีที่สิ้นสุดท่านจเจริญบุญกุศลได้หลังไหลยิ่งกว่ากระแสแห่งแม่นม้ําอนักุศลจิตของท่านเกิดมากยิ่งกว่าคลื่นในทะเลนักุศลจิตเกิดมากกว่าคลื่นในทะเลโดยระยะเวลาสี่สงไขยแสนกลับไม่ใช่น้อยไม่ใช่นิดหน่อยเลยและท่านมีปัญญาสะสมปัญญาอย่างไม่มีที่ที่สุดเนี่ยนะพันสั้นสะสมปัญญาท่านไม่เต็มท่านไม่อิ่มท่านไม่พอในเรื่องของความรู้ท่านไม่พอในเรื่องของบุญ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 คุณธรรมเหล่านั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะวันท่านจึงมีเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยที่ถูกที่ดีจริ ง, รงๆอัธยาศัยเพื่อกำจัดความโลภความโกรธและความหลงมีอัธยาศัยวิเวะมีอัธยาศัยเป็นกุศลเนกขมมะอพยาบาทอะนะอโลกสัญญามีอัธยาศัยที่จะกำหนดธรรมมีอัธยาศัยใน ปราโมทมีอัธยาศัยในวิชามีอัธยาศัยในปฐมฌานเป็นต้นท่านจึงมีอัธยาศัยที่ดีท่านมีอัธยาศัยวิเวกแล้วก็มีนิสสารนัตธยาศัยมีอัธยาศัยที่จะนําตนให้พ้นจากวัตตะแล้วก็มีอัธยาศัยช่วยสัตว์อื่นให้พ้นจากวัตตะมีอัธยาศัยที่จะช่วยให้ผู้อื่นบังลุมักผลและพระนิพพานนั้นท่านเป็นผู้ที่ตรึกอยู่ในแต่มหาปริสาวิตกเนี่ยนะว่า ท่านจะเจริญความมักน้อยให้มากขึ้นได้อย่างไรสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรนนท่านเป็นผู้ที่ปราลบศรัทธาจเจริญได้อย่างไรวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นคุณธรรมทั้งหลายจะงอกงามไพ่บูลบริบูรียิ่งยิ่งขึ้นไปได้อย่างไรหรือมีอัธยาศัยในการสร้างบารมีสิทธิมีอัธยาศัยในการสร้างอุป ป, ปารมีปรามัตถบารมีอัธยาศัยในประพฤติจริยาสามประพฤติสงเคราะห์เกือ้อกูลแก่โลกประพฤติสงเคราะห์แก่ญาติ ประพฤติข้อปฏิบัติแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์จึงได้ตต่สรุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงคู่ควรที่จะเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายควรที่จะเป็นผู้บอกผู้กลา่าวผู้แนะนําสั่งสอนแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งเหล่าใดที่พระองค์บอกกล่าวสั่งสอนโอว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่ออนุเคราะห์ สงเคราะห์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะงั้นการที่เราได้รับภาษาสดาเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นลาภของเราแล้วเนี่ยนะที่ได้ศาสดาดีขนาดนี้เป็นสรณะเนี่ยนะที่เรียกว่าพุทธังสระนังขจ า, ามีเนี่ยนะมันก็จิตของเราเนี่ยชื่อว่าฝากไว้ในที่ดีที่ที่สุดแล้วควรจะฝากจิตเพรางั้นที่เหลือที่สุดทํำยังไงจะให้ใจของเรานี่โครจรไปในคุณของพระพุทธเจ้าให้บ่อยที่สุด เท่าที่จะบ่อยได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อใส่ใจในพระพุทธานพระพุทธคุณอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เลื่อนว่าแล้วพระองค์สอนอะไรจะได้ใส่ใจในพระธรรมของพระองค์ว่าพระองค์นั้นบอกเราอะไรให้เราคิดอะไรในที่สุดเราก็จะคิดเช่นกับอริยสาวกทั้งหลายท่านคิดเราก็จะคิดเช่นกับพระอริยเจ้าทั้งหลายถ้าเราคิดเหมือนกับพระอริยเจ้าทั้งหลายได้เมื่อไรเราก็เป็นพระอริยเจ้าได้ ถ้าเราคิดไม่เหมือนพระริยาเจ้ายังไงมันก็ไม่เป็นเชื่อเถอะถ้าไม่คิดแบบเดียวกันยังไงก็ไม่เป็นเพราะอารยะวง์เนี่ยมันเป็นเรื่องของพระอริยะวงน์นะท่านบอกว่าพาระอารยะที่เคยมีีมีมาแล้วในอดีตท่านก็ทําอย่างนี้พระอารยะที่จะมีต่อไปในอนาคตท่านก็ทําอย่างนี้พระริยาเจ้าในปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันพระริยาเจ้าทั้งที่เป็นมนุษย์เป็นภูมมะเทวดาเป็นเทวดาชั้นจาตุงยามาดาวดึงดูสิตเป็นต้นเนี่ย เทวดาจนถึงพรหมโลกท่านเหล่านั้นก็โคจรในพุท ธ, ทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณท่านคิดเหมือนกับพระอริยเจ้าท่านจึงได้เป็นพระอริยเจ้าแล้วเราคิดอย่างไรจึงจะได้เป็นพระอริยเจ้าต่อไปในอนาคตอันนี้แหละที่เราจะต้องทำทำใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทตั้งตนเอาไว้โดยความไม่ประมาทเนี่ยนะเพราะความไม่ประมาทนี่แหละที่จะช่วยให้เราทั้งหลายพ้นจากทุกข์ได้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 อยู่กับพุทธคุณนี่ก็ไม่มากทำมาคุณสังกคุณก็ไม่มากพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติก็เจริญกันได้บ้างตอนํามวัดเช้าทำวัดเย็นเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งศีลก็สมาทานกันบ้างเล็กๆน้อยๆเมื่อสัพพินสีเจริญไม่ได้ศีลก็เจริญไม่ได้เมื่อศีลเจริญน้อยวิริยินสีก็น้อยสตินสีก็น้อยสมาตินสีก็น้อยปัญญินสีก็น้อยพระองค์ก็บอกอยู่แล้วว่าทำอันเลิศไม่ได้ตรัสรู้ด้วยทำอันเลว